ของขังของล่างยูยงคงกพันหลวงปู่มั่นพระพาทรงเสริมมันเป no ็นิตวชารถคถาพราเนี okay. ่ยยูยงคงกระพันหลวงปู่มั่นพระพ่าทรงเสริมพราหมณิวชารถคถาศิลศาสตร์มันมาเม้นมันมาเม้นในพระพุทธศาสนาหลวงปู่มั่นเลยพระพ่าสนใจถ้าเมื่อไรจะเกิดจะสงบมันเกิดได้บุญได้ไ ทำ้บาปมันก็ท e day, ั cache, <ım. S 1> ้งเมื่อวันเกิดทุกอางนะมันเกิดนี่บาปมาสันมันนึกถึงบาปมันก็เลยทั้าันพน้อัทงบุญก็ไปบวกบุญใจทั้บาปกบวกบาปเยอะใจ่ะอสงสัยไปใส่พนวะทําบุญเยเสมอบุญเยเสมอผมเกิดยเสมอันพนวะเห็นไมจะบตายพนวะม่ได้บอกยากเท่าหม่เฮาสิน้องปูมันยากเท่าม่เฮาล่ะยามันนยามันี่อ้เี้ นามดีง่ามว่ดีพอวันนบวาามได้ดีว่นี่ว่ามันเนี่ยประตูว่านะโตเฮ็ดว่าดีพไปตะตูย่ามก็สังวนว่าโตเฮ็ดดีพอตอให้คะแนนย่ามเดี๋ยว่าจ้คะแนนจะของเลยจะของเฮ็ดดีตอน้ก็ให้คะแนนจะของวจของเฮ็ตัวย่ามไม่กบุบคะแนนจะของงว่าเที่บ้าก็ให้ของก็หนกของน่ะสังวนว่าพงง่ายๆได้ร้องคุ้มอันบ่ญในบุคือเท่าไรย่ามย่ามไปกัพอเท่ากอะไรอยู่ในโลกวายไม่เนี้โรก เขาเป็นเข้าชุดสามเนาะฮะบุเดียวเกลีบรอบนึงหมคนผมพบว่้แปดสามนึ yeah. Yeah. 好好 yeah. s <S ่คนเ้าดสามกัรอบนึงหมคนคนว่าอันมือนทำบุนวันเกิดลูกูหลายคนหลายคัไม่รียในกันอ น, นกแค่สั่งผู้ขายเาอยากมีอไรให้แกพูดได้แล้วนะสั่งนึกแค่สั่บุกเสียงเนาะครันนี้ก็เอาบ้านเอาบ้าน่ะตายแช่ไม่ได้ก็พูด้เจ้าบอกสั่งดิบ้อนนึงเนี่ยสงฆ์ข้าวเมนูจีนตกเนพระยุ้งข้าวโดมาเยโอ้ยจะได้ไปสงข้าวเมนูจีนแล้วสั่งนี้เสี่ยงอะไรเยอะั่ซุมเขาไปพวกเคนบ่ได้กลับมาตายไปมัดกันนี่าสั่ ไปังเหนือพุว่าสั่นพวกแมวว่าสั่นแล้วเฮ็ดจังไรสันว่ามู้ง่ายเรอก็เดี๋ยวนี้กับเจ้าใส่เจ้าใส่น่าจํำมาเฮ็ดไหนว่าเปลี่ยนะ้มูเจ้ายิ่งมากกระายถือมู่ไข่เน้อมู้ไข่ยิ่งไปกรย่า้ถือมูเจ้าสันให้นึกจสั่นมัดลูกกระสินสูนหลักหายเร้าว่าสั่นเจ้าใส่น่าจ้ำาว่าสั่นมู้ง่ายยังมีเร่อในไฟกันถือ ้นึกนสันแล้วก็ตายดอกกันนึกว่าเอามันเถอเอามันเอามันตายแท่ว่าสันทวารสิเหมือนกนกะเล่นนึกสันกับว่าตายได้หอมาส่วเขาเล็บเียบลอยบดเหนนึกสันภูเขายิ่งไปกตจกใส่เขาเจ้าขาเจ้าย่งมากได้ถือภูเขาเจ้าใส่น้าจำมาสันนายมีแม่ในไพครับอันไหนจัตุรัของเจ้าเห็น้าหนึยิ่ได้บได้สันวาสินึกสันวารอดมากได้หมาเปลียงเลย ขัว่าเอามันเอามันาตายอย่างง้เอาฉันทว่าเข า, าออกกรเขาันหายพอดมาเนี่เนาะยถาวารีวะหาภูราภารีภูรนนิสาคลัมเวมวันอิปเชนัเตตารัปกะปิติจิังปุจิตังสมวางจุปังเมวะเตมิสตุพะเพภูเรนตูตังกะปาจันโธปะลาโธยะถาวันิจดทิละโธยะถา พริทยาวัชรนุสภโตโภตุเตโรัโรโวินตะตวะเตภวตันตรายสุีคีาโยโกอภิวาชนีพิาเนจังวะตาประชาโยนจตารุธรมมวันติโยวันโมสุขังพระกลางทีนี้เอาเพื่อนไปพักก่อป้ะเอาเพื่ักนะโอ้โหตัมโง่ัมโง่โอ้โหตัมโง่ตัมโงโอ้โหตมโง่มโง่อโหตมโง่ัมโงจะชุบจะชุก ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อเพระพุทธธรรมประสงค์เราดีนี่เองเนะครับพระเจ้าผู้ใดไมนเชื่อกรรมและผลของกรรมผู้นั้นก็คือไม่เชื่อพระพุทธศาสนาว่าศาสนาโยสัยศาสนาคืรรอคิดโยใจเท่าค่ะไม่เน่าเข้อประเถรทั้งพิษทั้งขิงยังไม่เท่าถ้บุญคู่อายุเอก็อายุของพวกเราท่านเดีทวาบุญฉลองวันเกิดก็พวกเราเกิดอยู่ทุกวันต่างคนก็ต่างาวันทำบุญก็แยกมาทำบุญวันเกิดของใครของมัน อันนี้พ่อแม่มาจากไหนพ่อแม่พหอเข้าแปดชิค่ะพี่สาวหข้ากับแปดิดมันกลัไปเป็นลำดับหนูแปดคนเข้าสี่ปีจังหวะกันพี่ชายเฮาผู้ลูกปกซื้อไอเท็จสิงลูกเป็นบ้าเป็นสาวไปด้วยผู้ที่ผู้ที่สองเสีดาอายุสิบแปดปีผู้ยิ่ง ข้า่าท่านเห็นเราเรหรชื่อ่ไหอันี้ชืแปดสี่่าท่นจะครอบครัวไปพวที่สามถวบนมี่พี่สาวบนมีลกูกบนบ้านพี่าวไปพที่สี่แถวจันที่พี่สาวลกูกบนบ้านพีสาวไปเขทั้งดีลูกนบ้านพี่สาวก็ไปเขาทั้งดีันเป็นพยายา เท่าแก้วท่าแก้วแปดทิปย์จังไปยเท่านี้ยืนมาอยนี่ท่านอยมามาพิ่พงท่านอย่มายามสองคนเท่าแก้วก็เถ้าแ้มมายามท่าแก้วก็เถแ้มนะโอ้ยใครสืไปก่อนกันนอวัานี่ว่าสัตมันก็ไปเป็นลาดับกัน่อนไปไปลนลำดับซีปีจังหองกันเนี่ยซีปีจะห้องกั น, น, กนลูกแปดคนแปดซีสามจุสองสามพูดลูกปกย่างนกัน เอาสามสิบสอง่าบวกก็เท้ากาังรู้่า 8, แปลสิบสามเลยมันก็น ท, นนทั้งร่อยปีเลยมันยังอยู่พราะพระเจ้าพระนางว่าเมื่อคนตายมามทั้งแล้วเมื่อวี้ผู้ใดจิไทยถอนได้โดยเหตุมอดและโดยซับแต่แลพระเจ้าจึเหตุจังสัสองเฮาจึงหลีบทั้งว่าคนพะทประสมสัก กูได้ถือขงพระพุทาประสงค์พูนั้นละโลกนี่แหละไปบันเทิงในสวนที่นี่พระเขาว่าจัดเตะอะไรมากเลยผูได้บรญญัดบาบุลถูกมันกับพระพุทธเจ้าเขาเนาะพระพุทธเจ้าเขาประสบการณ์มาแล้วมันโมประสบการณ์อบายยะมุขทุกประเภทเป็นมนุษย์ไิบัตร์แล้วก็เป็นสวรรค์ไม่บัตสด้วย ก็เป็นพุ่มในวัดด้วยก็เป็นเนื้อนผ้านในวัดด้วยทาเวนก็เป็นมนุษย์สมบมัดสวรรค์ชอบมัดทุสมบมัิในื้้านชบมัดเห็นกับตามากับใจ ล, ล, ลูกลูล้านๆเฮาซุบใบันเดือน่ัวไก่เท็ดเทตสวรรได้เมืองหแต่กอนบนเดือนมันเกิดพรอมจะตั้งเมืองอุดร มาเดิมมาแข่งจะกี้เอื่อนมามกแข่งไม่อดอัดท่านี่เข้าเนี่ยเพราก็ตังว่างเข้าเกิดเนี่ยแะอุบนติตังกรณอยเอตต่างกรณ์ด้ที่ดินมันหลาย เ, ยเลยท่านที่ดินอยู่ร่อซ่านเมื่อม้อนึ่งกัที่ดินราคาคล้ายเสมอเนี่ยในหกสิบเจ็ดทียบล้า น, นบอกนั่นแล้วเช็ดอดหลอดเอาไปเรีนเรียกบัตเรีนเรียกเรฟ้าเรียนบัดเรียนเบือ่อกินเหล้าเมายากบะป๋ า, าป น, น นัสส่งสัศน์วิญจมที่ดินนะไฟไม้เหล็ก ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม้พลาไม้วัดใหม่ื้ที่ดินน้ําตัวไฟไม้มันไม้สร้างทั้งข้าวจําปืนมันก็นที่ดินมันงบ่หม่ชัดข อ, รอพระพุทธเจ้าสร้างซ้อนอันไหนบกพริตพอคนประสบการมาแล้วพุทธะจาิยาทรงมาเพืเ่อเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาตถาจารยาสร้างวัดมีเพื่อสงเคราะห์ญาก โลตะะัทธัจเรยสร้างบารมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกครับรัชเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าองในไหนมาเป็นลุกๆุคในโลกตั้งร้านร้านพระองค์ก็ตามก็มีคำสอนอันเดียวกันมันรับรล่าพรบ ก, กันเลยเพราะมันถูกแล้วมันยัดหวาบนคุณโทษถูกแล้ว ม่ไดเปลี่ยนแป ย, ย ก, ยกเลยพวกเข้าเศ้าโลกแลวกับเปลี่ยนกฎหมา<ม>ยแล้วกับเปลี่ยนกฏโมวาสนาฉิตตงวาสนาเสี่ยงเงินมาตัาเศร้าโลกเขาเศร้าโลเขาตังกฏหมายกฏโมกฏภักดพวกมง่มงห ม, องม่องหลูคําสอนพระพุทธศาสนาะม่นกรไปก็รอดคือไงมันเป็นเกี่ยวคําสอนพระพุทธศาสนาะขันกรรมแลวคนของกรรมวะีเทากับเสีอพระพุทธศาสนาะคือไ กรรมในผของกรรมมันไ่เหนที่คดีดงคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกียณเป็นกรรมในผลองกรรมจบเสียณมาเป็นเลยทนายความก็ดีผู้ตัดสินก็ดีผู้ให้การก็ดีจําเลยก็ดีโจทย์ก็ดีผู้พิจานาเน่ยความก็ดีพิจาาจะถือว่ถกระามจเป็นท่ามเป็นท่ามกผลพองกรรมข้างหลังกะนําตามสนองเลยนี่หลมันสาคัญมากเป็นอ่าง ขจงอาหน้าเพา้ปฏิเสธว่ไรมันโฉกโป๊ะกระนหลงกายของหมูห่าวเป็นอังขาจังปฏิบัติเสียธรรมข้าวปฏิเสธจิตใจว่รมันโฉกโปกะขันมปฏิบัติเสียงธรรมขันค่วมสลาร์เนื้อข่วางัวตัวตอนใดข่วงงัวตอนนังก็หายไปขันควมสว่างเนื้อว่วมืดตอนไหนว่ามืดตอนนั้นก็หายไปถ้าเกิดแก้เก็บต่ายโลกโกรธรงจนทุกข์ การปฏิบัติเพื่อบ้องยับให้มาเกิดมาแกมาเกเจ็บมากตายม่กแห้มากโลภมากโกรธมาโ ล, าโ ล, าโลก็ปฏิเสธอะได้ราคะโทษะโมหะมันนี่อยู่ราคะขีนหน้าคือไฟโทษะขีนหน้าก็คือไฟโมหะขีนหน้าคือไฟไฟราคะไฟโทษะไฟโมหะเาผาผ่านสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวในวัดตาทองศาลยังไม่ไรู้การบรรเทาราคะโทสะโมหะก็ปฏิเสธอะไร การมันเท่าล่าคะสิมันเท่าจังไหนพี่จะหน้าในสกุลล่าร่างกายจะเป็นขอเพื่อนเอาวันใดมันเพื่อนมันเอาหลายกรมือให้เพลงวันถ่านลราขะก็เบาล่องไปม okay าคำว่าโกรธ่ายพี่เจ้าหน้าแพรเมตตาเล่ากับว่าสอบทุกซัดทั้งหลายกับว่าสอบทุกอะนี่ผู้ดาเฮาเฮาขโม่เฮากับว่าสอบนี่ผู้ดีผู้เขียนเฮาเฮากับว่าสอบอตนเป็นพระาตทกน ไม่พวกขาห้อห่อคำประสอบเอตนยนตานทกนแล้วก็แพ้เมตตาไปจึงบรรเทาความโกรธอะเขาบอกจะบรแมนกขจะสเสดขาดยังไงแล้วพรเจ้าบอกห่อได้ประสบการณ์มาแล้วลักฐานเยอะเลยระเจ้าทั้งชั่วห่อเขาประสบการณ์มาแล้วทั้งดีหักประสบการณ์มาแล้ห่อจึงแต่ว่าสอนมูโตทั้งหลายพะเจ้าเมื่อยๆเนาะเหาเขาไม่ให้เาหลายเนาะยะ้าววิวหาภราพลคนเลนเทาคะ เยวังเยวโัเตากาิิตัวิตัาวสัตตุัู้เรียนสัาจัโทคนละสองยมันยังเทลาตะพีทียววัชมสะโพโตโขตะโพยตะโวิรัติตวานตวัตวตะลายโุกิทีกายโยโขโอะอภิวาชนสีนจจานิจจมุจาจาตัารุธรรมวัจจันติอตุวัูชุกังถ้าบุญกระทำบุญสลองใจ ถ้าบาปกับถ้าบาปจะร้องไก่ถ้าบาปบ่อยๆไก่จะสูงขึนได้บาปบ่อยๆท้าบุญบ่อยๆไก่จะสูงขึนได้บุญบ่อยๆนอกจากใจบ่ไม่อะไรีะทําดีให้ตนได้นอกจากใจกขาบ่ไม่อันไรจะทําชั่วให้ตนได้ได้เท่านั้นทําดีให้ตนใจเท่านั้นทําชั่วให้ตนทําดีก็ไปบอกดีอยู่ที่ใจทําชั่วเขาไปบอกชั่วอยู่ที่ใจ ใจมีคนเป็นมหาลแต่ก็มีโทษเป็นอาลั์ถ้าทำผิดก็มีโทษเป็นอาลัยถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นมหาลัยาบุญก็ไปฉลองใจท้าบาปก็ไปฉลองบาปอยู่ที่ใจแต่ผลลัพธ์ต่างกันท้าบุญวันเกิดท้าบาปวันเกิดท้าบาปกับวันท้าวันเกิดถ้บุญกับถ้าวันเกิดย่อมได้ไหมเก็ยใจว่าเกิดขึ้นถ้าบาปมันก็ถ้าบาป นั่นกกิดใจว่าเกิดึน้นทั้งบุญมันกับทำบุญเป็นหัอหนาเขาถ้าบุญคู่อายุของใจถ้าบาวกับคู่อายุของใจเท่าไนเดี๋บอกเป็นหนึ่งงากายว่าใจใจมันทำให้ใจ เ, เป็นข้อหนาได้พาทามานี่มันไผ้า ม, าาามา้าใจใจเป็นหนาผ้าม้า่ากายกับนางนอตาขนันมาหนอยขันนางมาบ่ได้ถาดซื้อเดียนน๋ยวน้าไฟร่ม มันมอสบอลเมื่อกับขัดคือการที่ขัดกับใจม่นปล่อยคือรถคำบรรทัดที่น้าไฟราบมอบอลมูนผู้ขับสีไปเท่าไปเท่าอะไม่กับมันปล่ยไฟมันกับปติสัะร่างายเท่าอันเดียวคนขับรถจิตใจเทาเฉยเหมือนคนขับรถมันขับไปใช่แล้วมันยเมื่อก็บขับไปทั้งเดียวก็ขับไปท่้งสวนเนาะ เงี้ยแล้วเราขับไปครับทัวก็อุปมาคือรถไปตกเหียวเงี้ยแล้วไปขับทําดีก็อุปะมะคือรถมาเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นพุทโธพุทโธแปลว่ารู้ใจละสัวทัพดีทําโม่ซ่องไวถึงแล้วสัวร์ทัพดีสังโฆปจิวัตเพื่อละทัวรทัพดีตทุเรศพุทโธ ท, ทัพโมท่ทัพโคเขอยู่แห้งเดียวกันคําสอนในพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติ เป็นพุ่มสมบัติเต็มพุ่มอับัยยมุกเป็นมนุษย์ในบัตรก็เป็นสวนัสด์ในบัตรก็เป็นพุ่มในบัตรเป็นนิพพานในบัตรเหมือนกันพัฒนามนุษย์ในบัตรก็พัฒนาวัตถุใิบัตรคือไง ท, ทาเป็นโรคบาลพุ่งคองรองโรคล้องอย่างความลอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเพราะนั่นจะพุ่งครองลงได้ความลอายต่อบาปคือกลัวต่อบาปคือพกข้องร่างกายอะไ แล้จิตใจอะจิตใจจะพกข้องจะค้องได้ก็ไม่ตองม่ละอายตบบาปไม่ัวตบบาปคนจิตใจว่าละอายตบบาปเพราะปวดตบบาปเราคบพกข้องจพคล้องไปได้ถ้าจะค้องไปสวนพุทโทษแปลว่าผู้ลูกละบาปบังเพลินบุญธโมะแปลว่าส่งไหม่สิ่งละบาปบังเพลินบุญสังโคแปลว่าปฏิบัติละบาปบังเพลินบุญโต๊ะโลงพุทธโทษธโมะสังโคเขาจ่ายในเรื่องใดเรื่องดกดีขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ในทุกเมื่อ มว่งมีประมาณดาวตะเถาะัอชูพระเทพาฝนจากทุกนาวตาสงสารนูทงมืองมุ่งมีประมานก็่าเทอะนีแล้วเลิกได้แได้ขอเป็นขีดขาดเป็นขาดว่าคุณระ้าพรสงฆทเมืองมุมีสวะม่านาากระเถาขอชูพระเ้พาแล้วเลิกได้แล้วไต้ขออีขอเข้ามาโทษต่อุพระสงฆ์นูทงเมือมมีประม่านดาวตะเถาะขอชูพระเทพานจากทุกนาวตาสงสารโดยดวนยูทเมือมุ่งมีประม่านก็คาเทอเ่ยมันก็มัดท่ายฟอกกระเาะไก่ไผกระเพาก่ีไถ่แล้ว่ว่าหา ผู้ที่พิจารณาบ่ายจะพูมผู้มีเส้นถาวรเลยบุลเป็นพระสดาบันูที่มีเส้นถาวรเลยบุเมื่อเสียดายอยากลองละเมิดเส้นถาวเมื่อเสียดายอยากจะถือศาสตร์ศาอื่นนอกพระพุทธเจ้าไปเมื่อเสียดายอยากถือโยโย่งกงกะพันเมื่อเสียดายอยากถือเรื่องดีย่ำดนี้นได้ดีเมื่อแต่นั่าทำดีไปนัำทำั่วกับชั่วย่อก่มอม้่นไม่นั่ไปตูย่ำหน้ามันกั ม, มีดเมือยกับแกงซะ ภูริเฮตบาปมันกับวรรภ์น้ำภูริเฮตบุตรมันกับวรรภน้ำวันวันขึ้นหรือขณะเวลารกระตินเทาะมีแต่เมื่อเับสว่างเท่านั้นเลยมีแต่การขึ้นครับของวันเลยระตินก็แปลว่ากลางขึ้นทีิวะคาว่าการวันเมื่อเพระพิรพรจอดรถไปวันเวลาระสายบางเทียงคำว่าวันอุกาบาตวันโลกาวิญาศไห คันโม่ไหนเป็นวันอุกกาบาทว่านโน ก, กวนานเสถียรเขาขอาท่านเสถียร์มือไดนวันดีจะคอยไปเป็นเสียรอีกบอวัดไหกระซงวันดีไปไหนกรา้าัาางล้มลมหลุมทานเพิ่มห่อนใจด้วยกันเ <Evet. S 1> นีดยทีสังการถือหลือถือเนีออ่มันจงบ่มีแกนสารในธรรมวุฏฏสสารนะพระเจ้าหามบ่ถือสนกฐังสมานขลงังว่าท่านทาดีในเวลาไหน เวลานั้นเนี่ยเป็นเลิกดยายามดีของท่านทั้งหลายาเจ้าศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านี้เราเกลือเขาบพเข้มสมกับผสมหวานกับหวานสว่างกับอะไรพวกนี้ทาดีก็นได้ดีอยู่เพื่อเขาพูนด้ทำซัวกันได้ซัวอยู่ื่อเขาคนดีคมซัวกับมันผู้ใจจะเป็นผู้ใดผู้เอื้นไว้ผู้มหันตเอาได้เพราใจเป็นผู้หูจักใจเอ้ยเจ้าคอยได่ถ้าบุญยินท่านน้ำพนักเที่ยวบอกรายารคอยได่ถ้าใจกระตอบใจได้ ใจพรเค่อยแต่ทำใจกระตอบใจพรไใดตัวใจตัวใจเนิ่ยนกับโมลกุลก่อนเลยเดี๋ยวทสัพระพุทธเจ้าจึงเข้ารบถ้ำถ้ามันมียุกรพระพุทธเจ้าจึงสามารถรู้ถำได้แตถ้ำมันไม่มียุกกรพระพุทธเจ้าขับว่าสามารถจะรู้ได้เห็นนล้วพระพุทธเจ้าจึงเข้ารบถ้ำดินมันไม่มียุกกรจึงสามารถบรรยัติดินได้คดินมม่มียุกกรกับว่าสามารถจะบรรยัดดินได้น้ำไฟร่องอะไกัน เขาบั ญ, ญตัตตามของมันนี่ขันบาปวุ่นีพระพุทธเจ้ากับบรรัตอะไรกันบุญว่นี่พระพุทธเจ้ากับบรญัตอะไรกันบาปบุญคทนทอดนรือม่โยตะกอนเนี่ยบาปก็อุปมาคือไฟอุปมาคือน้องนมม้ำอนมันคุณคุณ น, นบุญก็อุปมาคือน้องน้ำอันมันใสใสเลยลนะบาปพระพนล้นไปตําคนบุญก็บพระพันล้นไปตําคนตำซัดทั้งหลายซัดทั้งหลายสางเอามันทัน้งห สางสางขึ้นจากไส้างขึ้นจากไก่ก็มันตายสางบุญบาปเเป็นเพราะวป็นญาตยวิญญมิถหางกระดูกเฉยไม่ใจเ น, น, นี่ยน้ำไฟล้มเฉ ย, ยมันไม่มีเจกก้าของเฝ้ายวันมันไม่มีจิตผู้รู้หันน้ำเขามีใชีวิตอยู่ใครมันอยากแขวนเก็บขาไม่โง่จักลัวเพราะว่ามันย่ำตายแล้วเขาขวบไปเท่ากั บ, บ ว, ว่นาเพราะจิดใจวยญญาณเนี่ จิตใจโอ้ร่างกายก็เปียบเหมือนทอนใหม่ทอนฟื้นบ่มีร่างกายบ่มีจิตใจนี่ลนะทั่งวา่ากำลิงกระลังเลเหมือนทอนใหม่ทอนฟื้นอาชีเรื่องว่าแต่ย่งางกายโล่กายเหนียบเพราน่าห น, นักเลยยิ่งย่านป า, ปะสะากสกาดไปแล้วเหมือนทอนใหม่ทอนฟื้นถิ่มยูอะไรความตายเป็นของเที่ยงความมีชีวิตอยู่เป็นของมาเที่ยงแล้วอาเชว่าจิตจะมาจับตัง วันทำความเพียรในวันนี้ทีดีเดียวพะพุทธเจเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านทู้ใดจะถ่ายถอนความตายได้ด้วยเวหตมนได้ด้วยซับพระพุทธเจ้าเหตุนั่นพวกเราทั้งหลายจงรีบทำความดีถือไม่เป็นที่พึ่งของใจความชั่วไม่เป็นที่พึ่งของใจหรอกเป็นที่เบียดเบียนใจเท่านั้นแต่ความดีคนดีก็ทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยาก คนชั่วคนชั่วทำได้ง่ายคนชั่วคนนี้ทำได้ยากพะพุทเจ้ามดพูดแมลงวันจริงง่ายแต่แมลงพึ่งไม่ฝันเลยพะพุทเจ้า ย, ยาสอนดอกไม้แมลงพึ่งเกินง่ายแต่แมลงวันก็ไม่ฝันเห็นเลยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีเถิดพะพุทเจ้าอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทําดีเถิด อย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีเถิดอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยทำชั่วก็าทำให้ใจทำดีเขาทำให้ใจใจจงลเลื่อนเถิดเพ้าใจเป็นหัวหน้าเขาเสียหน้าถ้าไม่ร่วงละเมิดก็มาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ใจันเป็นเชื่อข้าตเกียวรวมอยู่ที่ใจ เสียนแปดถ้าไม่รูร้อเอืไรก็เป็นเี้ยนแปดเกลียวอยู่ที่ใจพุทธธรรมส่์ก็ทรงอยู่ที่ใจเป็นเทีอกสามเกลียวแปดหมืนสี่พระธรรมขันน์วรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระพระธรรมขันเกลียวอยู่ที่ดวงใจมากก็มากออกใจออกไปจากใจน้อย ก, ก็หายออก่าหาใจทำดีมากก็มากออกคอยจากใจหรือดีมากอยู่ที่ใจรวมอยู่ที่ใจทั้ำชั่วมากก็มากอยู่ที่ใจ ผลของความชัว่วความดีก็ไหลมาสู่ใจไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนโคและกระเบื้อเราโนกโกรธผลของความโกรธก็มาหาใจไม่ได้ไปหาดินฝ้าอากาศเราส่งเสริมโลกผลของความโลกก็มาห า, หาที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเราเบียดเบียนผลของของความเบียดเบียนก็มาอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่ที่ดินฟ้าอากาศทําอะไรก็ทําให้ตนอัติอัตโนานาติเนาะ ตนเป็นที่พึ่ของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองก็คือทําเป็นที่พึ่งของธรรมมันเงีงก็มีความหมายเดียวกันทําดีก็ไปต่อความดีอยู่ที่ใจทำเชื่อก็ไปต่อความชื่ออยู่ที่ใจพระบรมศสดาต อ, อนรู้แล้วอย่าตายผ้าโล้มันจะเป็นเปตโตเพล่เต้าแนหมอพรางคนจะเจา้าไปแสร้างเกิดขึ้นว่าไรอ น, นั่นตังตื่นติวมิตรไห้ล่องริวร่องหองวันจ่าย สางเขียนว่าไหนอนิจจังตื่นติวมิจฉาไร่ร่องอยู่ร่อห่องมุนทะไล่เห็นอนิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังแล้วได้ในนรกล้วนอนิจจังได้ในนรกล้วนทุกขังได้ในนรกล้วนอนัตตาแลามสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นโลกเต็มไปด้วยอนิจจังแล้วก็สงสัยในโลกกับว่ามีเมื่อเห็นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์ก็เพิ่มสงสัยสงสัยโลกกับว่ามี เอาปัจจบันเป็นพญานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมถ้าม่เห็นธรรมจะมาจับชายคีวกรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราพระพุทธเจ้าไฝ่ไม้เอือนมืออื่นจังสีมอดบอด่สันพระุทธเจ้าก็มอดเดียวนี้ตัวพร่เจ้าไฝ่ม้หัวย ม, มืออื้นยังเสียมอดได้กว่ามอดเดียวนี้เรื่รีบซะเถอเหลือที่เสียใจในภายหลังเนี๋ยสัมพุทธเจ้าไปว่า อ น, นุนเลยเขาเทนความใจเมื่อแล้วจับเทืนนอ เ, เอมื่อแล้วน้อยเทือเขน้อยเฮ้ยโอ้โตยังประมาทอยได้อา น, นุนเลยเพร้อมทุกลมหายใจเขาออกจังสิบว่ประมาทอา น, นุนเลยโตยังเพิ่นในวัฏสงสารอยู่เลยเพิ่นในวัฏสงสารก็เพิ่นในลมทานเพิ่งกันเดียวกันนึงแล้วอนนุนเด้ไพระอา น, นุนประสาทท่วนพระองค์เก่าถ้าบุญแลว้ววุทิขาท้วตั้งใจโลกธาตุ บุญมันถือ่หมดบ่พอน่อยว่าสันวนะมันแหงได้หลายตัวอันุัได้โตงอสั่งเราภูงอราเอาบุญก็าว่าเปลี่นทับบุญแล้วก็อุทิศทั้งทั้งใจโลกธาตุนี่วะสันมันบหมดจะมันแหงแตกแขนงออกวะสันพรวาบ่คือแนวอื่นพรวานี่ว่าปฏิทาระไหมบุญสําเร็จเรื่การให้ส่วนบุญปฏานโมธนาไม่บุญสำเร็จเรื่การอนุโมทนาส่วนบุญเห็นได้เห็นเพิ่นเห็นบุญเทากับอนุโมทนา ขาวโมมีเงิ่อนมีคําวข้าวยกเนื้อแส่หัวหรือนึกเงยคิดเง้ยใจเงี้ยดีนําเ้าวกระไดบุญแล้วว่าวัฏจารนโมธนาสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญเรียกบนกิริยาวัตถุอย่างพิสดารมีอยู่สิบอย่างทานไม้บนสําเร็จด้วยการบริจาคทานตามสถิติกำลังของตนศีลไม้บนสําเร็จด้วยการรักษาศีลตามสถิติกำลังของตนภาวนาไม้บนสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาตามสถิติกำลังของตน อัปการยาทำไมบุญสมเด็จด้วยการมาพุทธถอนตนแก่ท่านผู้ใหญ่คนมาพุทธถอนตนแก่พ่อแม่ผููบ่าอาจารย์ก็เป็นบุญกองหนึ่วยยาวัตจามัยบุญสมเด็จด้วยการช่วยขนขวย ใ, ในคิดที่ชอบกิดธุระอันไหนมันสอบขนขวยเห็ดอันนั่นก็เป็นบุญอันนึง่งวัติธานามยบุญสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศหาวพ่อแม่พี่น้องปูนาตายผู้คนหลมหายตายไปช่วยบ่และโลกไยนาน ช e ่อทั้งใจโลกธาตเรียกว่ามุนทัศเวทยด้วารสมบนรปัตตาโนธนะไมุนทัศเวทยด้วยการอนธชนาทนบุญนี่ก็เป็นบุญกองนึ่งธรรมัสสมนะใหม่มุนทศเว็จด้วยการฟังธรรมคือเอาฟังถ้ำอยู่แลยวนี่ก็เป็นบุญกองนึงธรรมเทสนาใหม่มุนเัศเวทด้วยการแสดงธรรมคือผู้ข่าวเอาเรื่องทั้เรื่องงถ้ำยงสิกัผู้ข่าวก็ได้บุญด้วยสัพพทานังธรรมะานังชีนาสิให้อะไรเป็นทานก็ไม่ให้เท่าให้ทาเป็นทานให้ทาเป็นทานชนะทานทั้งปวง เขาบอกลูกบอกเต่าเคนดังสั่นมันพิษดังสั่นมันม่ดีลูกก็จะเป็นท่มท่านคือสั่งไปกินเหล้เม้ายาลูกก็จกเป็นที่โกที่เก๋มันี่เรียกว่าหายท่บมนท่านเท่านั้นเนื้อจะขีดขาดมอนเล่นหายไปท่มาหายอย่างซีวอไงท่างสอบลูกก็่น้ําได้อนีอันนี้เขาเรียกว่าหายท่อมเนท่านให้ไหพระสวดมอนพรวานาตามสิีลังของตัวเนอเออย่าไปคบคนชัวเนอ น่าแปกที่โก้ที่เก๋แล้วเรก็อยู่ร้านด้วยอันนี้เขาเรียกว่าห้ทำเหมือนทานส่วนเขาทีปฏิบัติตามหรือว่าปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องเขาทิ่ให้นี่อยู่ก็ฝนเนาะมันต้องอตกล่องมาเขาจงเอาอเขาจงเอาต า, ามถึงยงาตกก็ตกท่นเดินกระสมนั่นผู้ไหนว่าจงเอาอะไรปฏิภาณทาไมบนสมเด็จด้วยการท่าสนบนธรรมชาตินะไม่บนสมเด็จด้วยการฟังธรรมธรรมชาติชนามม่บนสาเด็จด้วยการแสดงธรรม ผูข้ข่าวในเนน้เสมอผู้ข่าเว่าเรื่องธรรมะมูพี่นองฟังขอศิบันเนี่อันนี้ขอเก่าทิฏฐุทุท ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญเห็นต้อบาปมี่บุญมี่เห็นต้อคุณพอ่อคุณแม่มี่คุณป้าคุณลุงคุณท่านพวกนีคุณมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไมี่บาปมี่บุญมี่ความเห็นแค่นี้แหละก็เป็นบุญรู้เสมอเลยู่ามีญทิฏฐุทุท ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรง ตามข้ามข้ามขมเห็นน่ตามเป็นจริงไงบาปไม่บุญไม่รักผลไม่ฟ้าไม่ท่ามดีไม่ทําดีอะไรดีท่ามัวยอะไวไม่บ่มันสูนเป่าเดียวว่าความเห็ในในตรงนี่ก็เป็นบุญอันนึงมุคคลผู้ถือว่าไม่ บ, า, บ, บาปมไม่บุญผู้นั้นก็ได้บาปอยู่ว่ามีเขาไม่หลงคื่นมุคลนผู้ถือว่าไม่บาปไม่บุญผู้นั้นก็ได้บาปหรือว่ามี่เขาไม่หลงเคลื่อนผู้ถือไม่บาปไม่บุญเอาลบมาไดที่เป็นไปทั้งบุญมักกา น, นึกได้มันกา น, นึกไปทางบาปหน่อยอยู่ว่าอย่างไผู้ถือว แล้วผู้นั่นเปิดประตูเปิดประตูบุญแล้วเปิดออกข้างใจกันธรรมเนีย น, น้ํารรมเนียมพูดถือพุทธศาสนาเขากระม่แนวเขารบเลยผู้ถือไม่มีบุญไม่มีบาปอันพวกนั้นนัลโต๊กมรรคหกขุมมืดฟังเสียงถือขําฟังฟังคํามใจปฏิเสธไม่มีบุญไม่มีบาปว่า ม, มันเสียงหม้อเลยเสียงเสียมเสียงจอบเสียงเสีย ง, ยงขุดฝังเจ้าของอเสียงอมมงมีบุญไม่บาป วุประม่าว่านน่นะโกกันตนรกมืดจนพวกขอจ้ก็ไม่บนไม่บาปตกตั้งจัมมานุโลกกระสางทัมมนุโลกแล้วตายไปกัไปตกไวยกันตานรกไปและอนั น, อออนนี้เขาก็วายผ้ข่าวเอารได้ผู้ข่าวแ่พ่อนึอะนียเนี่เนีาวว่าทีวัาภูราปิปุริยันติชาแสเรว่าเมวัยตูดีนางเปรตานังโปกะาติเจดามาตีตั้งัวมังคีเมว่าจะมีจตุกาผฟปุรยนูสังกปากันกนราับอิย สวีพัพพะโสโวปะพะยตันะโสโยตะวัฏวัณายสีสุภีสุขานุปปัฏวาสีาิัต้าพระจาเยนจตตารุธมาวตันติอาจวโนทุกขังพระหลางพวกพระเฮามันต้องไปทางวัดต้องพิจารณาอนิจังทุกครั้งอนัตตาพอมก็ร่มหายใจเขาออกพวกพระเฮาต้องไปทางลัดเดี๋ยวไปทางโค้งไม่ได้วัทถันกข้าไปล่าไปทางโค้ง เห็นทุกอยู่บ้มี่กันไว้หนึ่งคืน่ะเพื่นเพื่อนในหลอกมันจะไม่สาประตูใดอเอผานผ่านได้เนี่ยอ๋อพ่อเขลมหายใจออกเห็นอันนี้จังพ่อาลมห้ยใจเข้าออกมันสิสงสัยรอกมันจะใสพอขหลกจะไปด้วยอันนี้จังเขหลกจะไปด้วยทุกอ่ะมันสงสัยมาใส่เมื่อมันมาสงสัยในหลอกทั้งปวงมันคว่ำถายยาสายยาในหลอกทั้งปวงมันก็บบ้มีมันกับหามเบรกลงมันกับสนุกเปิดประตูผ่านภานวางเลยเมื่อยงเมื่อยไปเฮ้ยเข้ามามาเนี่ย สัพพะทานังธรรมนาทานังขีณาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทำเป็นทานเป็นให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเป็นห่วงบุตรเจดากะงว่าหวจะปฏิบัติไม่ชอบทำต่อพระพุทธเจ้ามันเป็นห่วงก็จะไปเฮ็ดให้ให้น้ากินใด้พระพุทธเจ้าเป็นห่วงหลงร้านอยากปฏิบัติบอดีว่าทังนี่ไปเรียนเจลิกนี่ไปเรียนเจบัตเจเบรเจบกเจเบี่ยมเจ็บหายตายหันไกทชะนอสองจิงน้หมุดเจ้านภากไก่กระโดดข้าเมื่อกูว่าเห็นเลยว่ามุ่งตัว คันโมตัวจักษ์เราพูดได้ในเลขด้รู้ล่ะบัติตายเราไม่มีเงินเสือกระเพ้าเสือกระเพ้าแห่พระเลยถึงเราบาบอกว่าอะไรล่ะตัวนี้นิดมาตัวนี้นิดตัวนิดนิดเจ้าระนาบปเทศมากหัวออกไปไพ่นอกเลรียญแขอกสาราได้คู่หาเชินทำตายดังน้ำได้หนองล้มพัดฟองงี้ยองเนี่ยไข่จองลงว่างน้บอัดดังเข่าทองตายทั้งพีทั้งน้องแล้วก็ไม่รู้ขมุราเก่งหมดจมูเจ้า ที่ไปประมาณกินตะเ ก, กวีพวผอบโมรานบ่นหมดพุทโธทางหมตะก็ขึ้นต้นเมือดแล้วนะขึ้นต้นแค่แล้วพอขึ้นต้นคอแล้วค่อยขึ้นจอมดอยแล้วลำขึ้นต้นแม่ตั้มแล้วหาก็ว่เห็นดวงตาคําผ้าแม่ก็ไวนานั่งไห้กงขับไวา้พอแกนไถ่ได้ล่าฮงกวนตาเพื่อเมื่อเศา้าพอเคลือเจ้าก็ง่ปากดอกแม่จับขั้วแม่น้ามาะคําโบราบะร่ะเก่งหมดกินตะเ ก, กวีแต่งเรื่องจริงให้เขื่องเพื่อให้แพลระในเชิงตลา แงเรื่องคือไงคืออังไงแห้ร้อยในเชิงกล่ะมู้ตที่ประมาทมาคนภาคอีสานนะโร่านถ้าหน่อยกายท่านหลายไข้เว้นเนี่ยว่ากแก้ตาเอว่าถนอเฮ็ดลาบแล้วว่าถนอมา้อนลาบข้ามยา้าพระที่เจ้าสอนว่าออนลาบข้ามยาเฮ็ดยังไงว่าอ้อนลาบข้ามยาเฮ็ดที่ไหโบรานมึงลอ้อนลาบข้ามยาซะว่าถนอมโบรานให้ข้าบยาเพะอ่อนลาบข้ามยา ไม่ให้เมื ir, ir, ่อวานเท่าให้ส่วนมาแก่มาแก่มาตายยังไงวุ้ยบ้านเป็นมาหัวบาดมูเฮาเม่ออาหารสุดุ่้ยบ้านว่ามาเกิดแก่จะลายอีกคนมูเฮาเป็นม้าหัวบาดเท่ามาเกิดมาแก่มาเก่มาตายยังี่เท่าไม่อยากจะกินขนมย่งงพูดโธสมแล้วก็คันบุญพ่อกับไปพราะ่พานได้มูเฮาสามบุญสมันพ่อมาขับไปได้ครัวบุญพ่อขับไปได้ละ เมื่อกี <laughs> <laughs> ้นัพ่อเนี่ยเขาไปเมื่อกีบกไม่ได้แล้ิขนมของเขาเิ้นลไปราณไม่ได้มาเกิดในคันดีกโดยแท้ทีดีอ้คือรถยนต์ยี่สูต่สูเปี่ยนหรอกน่นหรอนะเขาเขาเขาสาเร็จว่าให้เสี่ยนหรอ อเอาลูกซะไปสาไปเออเอาลูกซะเอาลูกซะไปลูกได้น้อยน่สลูกเอามามาไอ้พเจ้าองมืเนี่ยมาช่วท่อไปจุกได้พัากันเขาห่วงเขาห้างไปจุกันน่ไปจุกพักกาเขาห่วงเขาห้างได้หลักฐานได้หานี่ได้ไปไปเข่างเข่าห้างทโม่ทอด้นี่สิเออ เออตัวทำมาทางคอตัอมอวมาอม่ดนนอานเลยหลุดล้านเยอ้นอนก็แคมเหงนั่งก็คเหงกินก็ได้คเหงีทายก็แต่ควาเหงียนาวาแตะะ่มเหงุแต่มเหงกินสปาแต่คมเหงีเ็บเขวครับไปรอยากก็ไปนันน จเจพอบูกอานเลยเขานเยเจ็บปัดขึ้นเ น, น, น, เนี่ยปฏิตายรับอะไ้ขี้แดงเย้าแง่คนละคือมู่โตขึ้นเนีกยเาะปฏิตายทารามาธทารามาธสารกัมพระพุทธเจ้าถาพระ อ, อนนโตพิฆหนาะ่อนตายมือทีเืออานุนกมือละลอยเสื้อคนแล้วอนอยก็เส มันยังประมาอยู่เลยสามัว่าท่นทุกเรื่อหายใจเขาออกกมจำปประมาทเนี่พวกข้ารถเปิดดมให้เปจะจังหัวไม่ได้ดังบอกแม่นบอกเฮี่ยไม่ทราบเคล็หลับจะเสมอเนี่ยเกิดแก่เก็บตายไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพีาพน้าทุกวันทุกวัน แลมีครอบแก่ครอบเจ็บครอบตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาทุกข์สิร่วงครอมแก่เจ็บตายไปบ่ได้แล้วก็ต่อพัดผ่าจากของรักของชอบใสยทั้งนั้นเราไม่นกรเป็นของของตัวแล้วทำดีักดดีแล้วทำชัทวชักดีชั่วเลยพิจนาทุกวันทุกวันนะส่วนพระแห่พิจนานเนือเ น, นเนืองเวรพิจนาเนืองเนืองว่าแบบนี้เราไม่แค่ต่างจากกระดานแล้ว อาการจิตญาณใดๆของสมณะเราต้องทําอาการจิตญา น, นั้นสองมันมาคิดคนพิจนานรณาเนืองว่าความเลี่ยงชีวิตของเราเนื่องวยอื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี่งงยงได้สามมันมาคิดคนพิจนานรณาเนืองว่าอาการกายวายใจยอย่างอื่นที่เราจะทําให้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ สี่บันทิกพึงพิจารณาในเมืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ข้อห้าบันทึกพึงพิจารณาในเมืองว่าผู้ลูกใคร้ควรแล้วตีเตียนเราได้รเราสินหรือไม่หกบรนทึกพึงพิจารณาในเมืองว่าเราจะต้องพัดภาดจากของรักของเข้าใจทั้ง น, นั้นเจ็ดบันทิกพึงพิจารณาในเมืองว่า เรามีกำเนิดของของตัวเราทําดีจากได้ดีเราทำชั่วจากได้ชั่วแปดบรรพิตพึงพิจารณาในเมืองว่ามันคืนร่วงไฟร่องไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่สอนแหเร่ยงพระว่าเก้าบรรพิตพึงพิจารณาในเมืองว่าเรายันดีในที่สงัดหรือไม่สิบบรรพิพึงพิจารณาในเมืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะทําให้เราเป็นผู้ไม่เกื้อเผลอในเวลาเพื่อนมันมาคิดถามในการภายหลังเรียว่านาทะกระนธรรมแล้วพอทํ า, าที่มันพอคิดเป็นวพิจารณาในงานคิดยาอันไหนอันพระองค์เจ้า ว, ว่าสอนมันโ ม, ม, ม่หนี้ักแนวสอนพระกระือกันสอนโยมกระซือกันสอนโยมกระเพการค้าขายกับการกสอนชิ้นธประกาย ปาณาจารยตาเวรามณีเมื่อจากทำชีวิตสารตกล่วงอาชินาทานาเวรามณีเวื่อจากการรักขโมยสิ่งของของเขานับจากเข็มเดิมหนึ่งเป็นต้นไปกาเมีสมิธชาจาราเวรามณีกระพิกผิดในขามควรเล่นซักมุสาวาธาเวรามณีการพูดเท็จกับเท็จเป็นจริงกับจริงเป็นเท็จ เบ้นซักโซราเมียได้ไหมัชาปะไหมชาปะมาเมียละมันเบ้นซักการดื่มน้ำมอสินห้าประการนี้เขาได้หัดควรรักษาเปนนิสสปโรมาศาสาพระบาทสมเดต้องข้างสนห้าประการประกอบด้วยศีธาเมียศีนบริสุทธิ์แม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเศวบุลนอกพพุทศาสน า, ษา บางทนบนญแต่ในพุทธศาสนาพระบาทศกพรบาทการต้องตั้งอยู่ในห้าประการนเนื่องจากรวิบัติห้าประการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าออกมานี่ผู้หอบมู้หอาไปเลียนตั้งแต่เทศเงื่องทรายขาวว่าท่านยี่พอไอม่เอ๋ยนั่งค่าขายพระองค์เจ้ากระบอกค่าขายเครื่องป่านค่าขายมนุษย์สองค่าขายมนุษย์สามค่าขาย สัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร4ค่าขายนำเมา5ค่าขายยาพิษการค้าขาย5อย่างนี้ชาวโลกอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบบอกมดห้องขายเจลาหลขายยาปราพืชเรื่องมุขขายเขาเอาไปค้าขัาห้องอี่ดี้บาปงวบาปเก็นงวด เด็กน biết, saying, ーー coach, ้องปู่น้องปลาขายเพราะว่าเนี่ยปลาขายเพราะว่าป่านิ่แม้กูนจังมากเพราะว่ามแต่เนี่งคิดผายพระพุทธเจ้าบอกเขาบอกเลว่าใตมุ่งห้องคิดผาเฮ็ดบรมยันคิดผายจริงพระกระซือการเฮ็ดบรมีเนี่ยหรอสัมมาอาชีวะพระอย่าไปทำกระตุ้นพิษสมอนขายเพราะว่าอะขายเลยขายผาขายบัตรขายเบอร์เสือเพราะว่าพระพุทธเจ้านั่น บอกว่าก็ถิเมนตัวนั้นตัวก็ถิเมนตัวดีตัวอัตมาฝันยังสั่นเล้อัตมาฝันยังขี้เลยพระว่าเอาประกอกันแท่ราคากัญหาเดี๋ยวนี้ฝันยังขี้บอกอันเมียงอันนี้ก็พระพุทธเจ้าบอกวเดี๋ยวอันประกอบว่ไม่พระพุทธเจ้าหนูมาเที่ยวโน้้านชุไปเที่ยวบ่มาเที่ยวเองพจะใเ้ี่ยมาเที่ยวุงน่บ่ไปทัวร์ เสียงเงแีแค่เยแค่เงยย่นั่งเนี่ยมันหัวไหลมันหัวดกสูสูกูไปพูกูผูกเลขมากสูจะกินน้ำกูก็เพราะว่าบอกยกกินบริษัททองเหี่งหม้อเห็นกงจักก๊กบอกว่าแม่นดอกบัวเห็นจะหัวเป็นไปเอาผูกเอาเลขลูกหลานน้องปูให้หน้าเสียมัด อยู่ทังอุดอนมันมดตั้งหลายๆล่านที่ดินมันอยู่ไกลเมืองมันลูกเขตเทศบาลภากับเรียนโบกเรียนเบี้ยเรียนบัตรเรียนเบื่อชิ้นไม้ไวววอดวัดููย่งก็ย่งหน่อยทุ่ยังเครืงหนึ่งก็ไม่พุ่มดกรอดรอดก็ไม่ <c oughs> นั่นเพราะว่าไปเอาดอกไม้ไปชำวัดมันซ่า อาจารย์เรียกเก้ยมาสั่นอาจารย์โบกอาจารย์เบี้ยอาจารย์เหล่าอาจารย์งานพนันมาสั่นลูกขาติเคสิีราบดอกใครว่างสั่นมาสันหาบอที่นี่อไปแล้วสั่รู้เรียนมาสั่นเออม่จักใส่เจ้าเห็นเขามาเพียมากค่อยมาเหื่มาเนี่ยมีสอบเสร็จมาคือทับประสงค์อยู่ตรงมือมันจังเสีไปรอดมาสั่นไปพอรอดอ่ะ เกเป็นคนศาสตร์ปอเปาอยาเปี่ยนมดแดงสอบอกงวงหถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พลิงโดยจากอวัยวะมุกทั้งผัวทั้งมหาอ ย, ย่างชีวิตในทั้งที่ชอบภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ไหวทั้งไรกระไรตื้นขึ้นมาหายหวายพระนั่ามีรับทีนอดหายหวายพระให้รับข้าพาวนณาพุทโธตื้นขึ้นมาจึงเป็นทําการทำงนานจึงเป็นมนุษย์ไม่ขอวัด แล้วถ in ือพระกันนั่ง <imperfect> ต <iele> ุ้ๆจีมคือคล้อยบลักเล่จึงคือแม่แรนหากินหยากรอดกรอดหลวงวบบุกซะลรอมันมาถือเข้าเป็นมนุษย์ข้ามาเผื่อถ้มันสมมนุษย์เป็นพระข้ามาเื่อถ้มันสมพระแยกให้เป็นแพะเป็นมนุษย์กับพระพุทธถ้ามันสมควาวเป็นมนุษย์แยกให้เป็นม้านุษย์ไม่ชอบเป็นพระกับพรพุชธถ้สมควาวเป็นพระแยกเป็นแพะ เป็นแพ่เ ป, class, เป็นแแเนี่ยเขาปลูกค่าเขาเข้าอยู่ตลาดแม่ว่าให้เจ้าของหรือไม่ว่าผู้อื่นเด็กของใครจะมาถักเป็นแพร่โาเดียร์กระไดไปเอามาผ้าเขาพักกัดกันยน่นไมยอมว่ากัดกันอย่างนี้เขาล่นเขาหล่นกัดกันไม่ยอมมาโลกไม่ยอมมาสงสารผู้ปัญญาสูงเบือตัวเบื่อโลกผู้ปัญญาจำกัน บมาเกียงเงี้ยหรอผู้คนน่ะสูงสามว่าราไม่แก่สามแลก็บื่อเนี้ยบ้านผู้บานด้วไม่พันแก่กัดสมควรพ่อใส่อยอะนะโยไปอีกน้อยก็หนักกว่าผู้เบื่อเนี้ยมีตพาพี่างหน้ากองทุกหกรอกองเขาล่มหายใจเขออกเห็นล่มหายใจเขาออกเกิดดับเยอะก็เห็นหลกหลอนนึงเลย่ะเหน็นอเนจังคณะจิดนึงก็เห็นหลกหลอนนึง เห็นทุกคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงเห็นที่ผสมผส่งคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งหาสุขในโลกว่าเห็นเห็นจากกองทุกข์ทุกเกิดทุกแก่ทุกแก่ทุกตายทุกโลกทุกโกรธทุกหลงทุกผสมผส่งหายใจเข่าแล้วก็หายใจออกไว้จากชีวิตใยให้มันอยู่นั่งทุกอย่างนั้นมันกับอะไรอยู่นั่ง มันจอบแค่สิแก่สิเก็บสิตายมันมาวาสิยูนัพ่พกงานคิดตลาดก็คือมีแต่งพงานคิดตลาดไปงอไปงอนมันชีวิตน <c oughs> หนึ่งหนึ่นเสอเก็บตาเหมืนอนเก็บท่อสารพัดที่เป็นไตยามันวัยยูสกนาร่างกายคือเล็กน้อยแหละเอวเสาแอแรงเลยน่ยร่งางกายของมูเฮานี่นั่นว่าโอ้ยหิวน้ำดิไปสั่งไปกิน น, น้ำนั่นนี่ขูปวดเขนขูดขาขูดซุ้เพราะว่า กูไปยางเลย่มไปยางเอาใจมันหน่อันเอาใจมันทุกข์รุ่มห้ใจเขาออกคือห้ใจเขาให้ยใจออกห้ใจเขาออกเนี่ยจ้างมันอยู่นํามันทำมัติสายมันทุกข์หลายจะห้ใจเขาจะออกไปคณะว่าเป็นทุกข์กระปิดดังเลยมันรู้กับวสักนึกนึ้นเดียวนจรแม่นบอกอ๋อแล้วพดนว่เห็นโดนเลยน้อเพราะว่าเอผ่ายบัตรจ่ายนะ แต่มันทางคาราวานกติฮาว่าคัดต่อพระบรมราชองค์การดีเพีเดียวปตัดคอเท้าแก่ลุดมาได้เลยในทางที่ดีมันก็ไม่ใแต่ว่าเพื่อใดที่ไปลาเท้าเห็ีไปเพื่อไปสักขาเพคนที่เอาพ่อไม่ลงหนีคนจะไม่ยมเนาะในทางที่มันถือว่าอันนี้แก่ลุดได้โสดเป็นโสดตายซําไหนกันว่าเนี่ยมาในภระศาสนาเนี่ยว่าอะไรอย่าเ้ยท่านั้นกับพ่อแลยหรอไม่ยอมเน ข้อมเพยงโทษระบวชหาหลับหายอดหาสารเสรสนอะไรนี่คุณไ้เพยงโทษรทร่านโรคมารหกจะพันเท้าเหมือนทว่าแมนบ่เนี่ซอยเห็นเลยเนี่แมนบ่หรือไม่แมนไใเท่าที่ถือว่เกวมิตะแม่นเผริ์จะไปน้ำห่าเขาไไหว้าเป็นอย่างทีเห็นไปซักผาแต่จ้ะแมนบ่เนี่ยเห็นบ่หร ไ่เคย ย, เคยิย่ยิน่เคยยิ้นตักเทียรเลยพ่อเจ้าเจ้าเห้เข้าให้ได้สำเนาไห้น่ะมีผมมาฟ้องเข้าเขากับมาย่อมมือถือสำเนาเข้าฟ้องเขาว่าเข้าคัดมมอของตัวพระราษดพระรองค์การผมพอไปรัมราซ่าเข้ากับมายอ่อมสำเนาเข้าไมีอยู่ว่ากันตอนเป็ดสัหย่างว่เหตุสำเนาอ่อยตายมาเ น, น, นี่ยพระคุณทศาสณฐ์เนี่ยปู่ตัวเป็ี่นตัวตายไรไม่อาโย่ย่อมเป็นยอมตายย่อมตายไม่ใช่ได้แก่ชีวา เพื่อรักษาอิสรกษณะไทยรัช ก, กาลที่6สมานสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้เกียตทั้งหลายได้ควรชิดจำลองจงใจเป็นไทเป็นไทยคนที่ชั่วดินฟ้ า, ารัช ก, กาลที่6สมบุกสมบันปนนิสันเทาว่าเลยเสีวสยวตายปนนิสันเทาสายร้ายโรคเขาเป็นโทษตายปนนสันเทาเนาะท่านี้ก็พ่อเนี่ยไป พ, พื่ไดญญ้เพงโทษเราบวชว่าหาลาภายราชายาเต็มทีไปจุกเราหายพ่อหน่าเนาะพระนีะ้เก่าเลยเนาะยาทาววันีว่าหาปราปุเรปุรจิสาคะเลี้ยวเนี่ยวันีตัวที่นังเปตาาังมุกขปฏิวิชิตังวิชิตังตัวพานคือประเมวัาินุสตุและเพ่งตเรนตูสังคปาจันโคกนตัวยทาววนโชติยาโยะทาวจีติโยยะวันัเมาโละนสตุมา เป็นพระจวนเทารโยตุที่ีตาโยโภตว่าอภิวาธนาสีริจานิสางโรธาพระจายโมัตาโรธรรมวาทันติราโยโนสุขันภะรางอ่ะเดี๋ยจุกบเดี๋ยวจุกรมาใหเนาะ